เจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้รายการธรรมสูุสันติก็กลับมาพบกับสาธุชนอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้อัตมาภาพจะได้นําเสนอธรรมบรญนาการแด่ท่านสาธุชนเป็นประจำซึ่งวันนี้ก็จะข อ, อนําเทป ร, รายการสนทนาธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคโลที่ออกอากาศเพื่อแพร่ภาพออกอากาศในรายการพบผู้นํา ทางเคเบิลทีวีช่อง15กราชบุรี SCTV จึงขอเชิญท่านสาธุชนมาตั้งใจสดับรับฟังโดยพร้อมกันในเรื่องพระคุณของแม่เนื้อความจะเป็นเช่นไรนั้นขอเชิญสาธุชนมาตั้งใจสดับพร้อมกันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยประเด็นหลากหลายเช่นเคยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันนี้นั้นพบผู้นําได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระเด็จพระคุณหลวงพ่อซึ่งอดีตนั้นผมคงต้องขออนุญาตนําประวัติหลวงพ่อตรงนี้มาเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอดีตพระเด็จพระคุณหลวงพ่อท่านสําเร็จการศึกษานะครับระดับปริญญาโท ร, รัฐประสาสนศาสตรมหาบัณฑิตเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ครับแล้วก็ตําแหน่งหน้าที่การงานครั้งสุดท้ายพระเด็จพระคุณหลวงพ่อท่านทํางานเป็นหัวนหน้าฝ่ายวิจัยที่สํานักข่าวสารอเมริกันที่กรุงเทพมหานครครับ ส่วนในด้านพระพุทธศาสนานะครับหลวงพ่อนั้นได้เข้ามาอุปสมบทแล้วก็การศึกษาสูงสุดนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อสอบได้เปรียนธรรม6ประโยชน์นักธรรมชั้นเอกนะครับแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดหลวงพถธรรมกายารามเมื่อปีพุทธศักราช2534ครับแล้วก็เมื่อปี2539หลวงพ่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชายะครับผมต้องขออนุญาตที่จะเรียนแนะนําพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ข้ามหาเสริมชัยชัยยะมังคารุ่งครับกราบท้าสการหลวงพ่อครับเจริญสุขคุณธรรมชัครับก่อนเร่นรายการพระผู้นำต้องขอกลับขอบพระคุณพระเดชพระคุณที่หลวงพ่อได้กรุณาเมตตาให้ได้มาร่วมสนทนาในรายการในวันนี้ครับพระผู้นำครับหลวงพ่อครับผมต้องขออนุญาตเรียกตรงนี้ว่าหลวงพ่อนะครับจะได้เป็นกียรติแก่ท่านผู้ชมทุกฝั่งนะครับ ในวันที่12สิงหาวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติและก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งเราถือกันว่าเป็นวันแม่แห่งชาติของชาวไทยทั้งแผ่นดินคงต้องขออารัธนาหลวงพ่อได้พูดถึงพระคุณแม่ให้ท่านผู้ชมทุกฟังที่กําลังติดตามรับฟังพบผู้นําตรงนี้ได้ได้ทราบว่าจริงๆแล้วพระคุณของแม่นั้นมีมากมายแค่ไหนที่ พี่น้องประชาชนทด่ติดตามรับชมพระฟังจะได้ลํำลึกนึกถึงเรื่องในวันสำคัญตรงนี้เลยครับรพระเด็นคุณคเจริญผลขอบคุณมากคุณธรรชาตขอจเจริญสุขจเจริญผลญาโยมสาธุชนทุกท่านาต่อหัวข้อเรื่องพระคุณของแม่ในวันนี้นั่นก็เนื่องด้วยมหามงคลสมัยคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาฏในวันที่สิบสองสิงหาคมนี้ปวงชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศต่างมีความปลื้มปิติยินดีสุนันท์จัดงานฉลองกันโดยทั่วไปทั้งนี้ก็เพราะว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาฏนั้น ได้ทรงมีพระคุณพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งใหญ่ต่อพระศกนิกกรของพระองค์โดยตลอดมาทรงห่วงใยอนาทนพระศกนิกกรของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้ยโอกาสหรือผู้ที่ยากจนข้นแค้นประสบความทุกข์เดือดร้อนต่างๆก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ หลายอย่างหลายโครงการเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบำบัดความทุกข์และบำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยทั่วหน้ากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเช่นโครงการส่งเสริมศิลปะอาชีพแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีความรู้ความสามารถในการทํามาหากิน เพิ่มภูนรายได้ของตนให้เพียงพอแก่การใช้จ่ายในครอบครัวเหล่านี้เป็นตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียวในหลายๆโครงการที่พระองค์ท่านได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายหลายอย่างเพื่อประชาชนทั้งประเทศด้วยความเหนื่อยยากทรงเสียสละไม่ทรงเห็นแต่ความสุขส่วนพระองค์ทรงเสียสละอย่างสูงด้วยพระเมตตาธรรม และพระขันติธรรมมาโดยตลอดเพราะเหตุนี้ประชาชนทั่วทั้งประเทศต่างรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านจึงได้พากันจัดงานฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านในวันนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่ว่ า, าจะได้บรรยาย ขยายความเรื่องพระคุณของแม่ก็โดยเหตุที่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาฏนั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระศกนิกกรของพระองค์ดุจแม่จะพึงมีต่อบุตรจนถึงกับประชาชนทั้งประเทศยอมรับนับถือยกพระองค์ขึ้นในฐานะพระแม่ของชาติ เพราะฉะนั้นในวันนี้อาตมาก็จะได้กล่าวถึงพระคุณของแม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยและก็เพื่อยกย่องและให้เกียรติและให้ระลึกถึงพระคุณของแม่ของลูกโดยทั่วไปอีกด้วยเพื่อให้เป็นคติเตือนใจแก่ลูกๆทั้งหลายจะได้รู้ พระคุณของแม่และจะได้คิดระลึกถึงพระคุณของแม่และตอบแทนพระคุณของแม่ให้สมควรแก่ฐานะของลูกสืบต่อไปกล่าวถึงพระคุณของแม่นั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ทรงแสดงไว้มีปรากฏในติกานิบาตและจตุการนิบาตอังคุตรนิกายได้ทรงแสดงไว้ว่าชื่อว่า มหรือพระรมก็ดีชื่อว่าบุรพาเทพก็ดีบุรพาจารก็ดีและอาหุนนยยบุคคลก็ดีนี้เป็นชื่อของมารดาบิดาซึ่งก็เริ่มต้นด้วยแม่นั่นเองนี้ก็กล่าวถึงพระคุณของแม่นั้นนั่นเองที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงพระคุณของแม่ โดยยกฐานะของแม่เป็นเสมือนพระพรหมเป็นเสมือนบุรพจารย์เป็นเสมือนบุรพ เ, เ, เทพและอาหุนัายบุคคลนั้นมีความหมายลึกซึ้งอย่างมากที่ท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจและพึงสังเกตให้ดีประการแรกที่ตรัสว่าพระคุณของแม่หรือแม่นั้นเป็นเหมือนพระพรหมของลูกนั้นคำว่าพรหมนี่ หมายเอาคุณธรรมสี่อย่างคือเมตตาธรรมซึ่งหมายถึงคุณธรรมที่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาธรรมปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาธรรมพลอยยินดีที่ผู้อื่นได้ดีและอุเบกขาก็เป็นข้อมัธยัตวางเฉย ไม่ยินดียินร้ายเมื่อสัตว์ถึงซึ่งความวิบัติอันเราช่วยอะไรไม่ได้ทีนี้กล่าวถึงพ่อแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่ซะเถอะนะกล่าวว่าอย่างนี้มีพระคุณต่อลูกเหมือนพรมนี่คืออย่างไรพ่อแม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่นั่นแหละนับตั้งแต่อุ้มท้องมาจนกระทั่งคลอดและเติบใหญ่ขึ้นมานั้นแม่ มีแต่ปรารถนาให้ลูกมีความสุขแต่ถ่ายเดียวแม่แม่จะลำบากอย่างไรก็จะพยายามป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนถึงลูกนับตั้งแต่อุ้มท้องนี่กล่าวกันโดยตั้งแต่ต้นเลยทีเดียวครั้นเมื่อคลอดออกมาแล้วเพียงได้เห็นหน้าลูกเท่านั้นชื่นใจเหลือเกินว่านี่สายเลือดของตนนี่เป็นประการแรกว่าแม่ปรารถนาอย่างเดียวที่จะเห็นลูกมีความสุขเท่านั้น และถ้าหากว่าลูกมีความทุกข์แม่ก็จะมีความรู้สึกอาทรร้อนใจเช่นว่าเหลือบยุงริ้นไร่ไต่ตอมหรือได้รับความทุกข์ยากเจ็บไข้ได้ป่วยแม่นั้นทวารับเอาความเจ็บป่วยของลูกมาใส่ตนเองแทนลูกก็จะทำในสองประการ น, นี้แม่ชื่อว่าเป็นผู้มีเมตตาธรรมมีกรุณาธรรมต่อลูกและ ความปรารถนาของแม่นั้นยังมีสูงขึ้นไปอีกปรารถนาจใจลูกเจริญรุ่งเรืองแม้กระทั่งการเรียนการศึกษาเราเรียนอยากจะให้ลูกเรียนสําเร็จแล้วก็เติบใหญ่ขึ้นไปอยากให้ลูกมีงานทําที่ดีมีครอบครัวที่ดีและแม้ลูกได้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปแล้วแม่มักจะและส่วนมากเลยไม่คิดจะเบียดเบียนลูกเลยนี่คือพระคุณของแม่ในประการที่สาม ในส่วนที่ว่าเป็นผู้ที่มีมุติตาจิตต่อลูกนะและนอกจากนั้นยังเป็นนายประกันแก่ลูกบางครั้งลูกกระทำความผิดหรือมีความไม่ดีต่างๆให้แม่ต้องลำบากใจให้มีความทุกข์เดือดร้อนต่างๆนานาและแม่นั้นแม่ก็ไม่พยายามซ้ำเติมลูกพยายามที่จะช่วยเหลือลูกอยู่ตลอดเวลาทำใจวางเฉยต่อความไม่ดีของลูก แต่พยานจะช่วยให้ลูกให้กลับมาสู่คุณความดีแต่อย่างเดียวนี้คืออุเบกขาธรรมของแม่ที่จะพึงมีต่อลูกเราจะเห็นคุณของพ่อแม่ในสี่ประการนี้มากมายหลายประการคือเป็นผู้มีเมตตาธรรมมีกรุณาธรรมมุทิตาและอุเบกขาธรรมอยู่ตลอดเวลากับลูกอย่างนี้เป็นต้นและส่วนข้ออื่นๆว่าเป็นบุรพ ajar าาของลูก เพราะแม่นั้นเป็นผู้ชี้แสดงสั่งสอนแนะนําลูกก่อนใครเพื่อนและที่ว่าเป็นบุรพาเทพของลูกก็หมายความว่าแม่นั้นได้ปกป้องลูกตลอดตั้งแต่เริ่มตั้งครันจนเติบใหญ่โตใหญ่ไปจนถึงมีลูกมีเมียแล้วแม่ยังตามให้ความคุ้มครองอีกอย่างนี้เป็นต้นให้ก่อนใครๆจึงชื่อว่าบุรพาเทพของลูกและเป็นอาหุไนยะบุคคลอาหุไนยบุคคลคือบุคคลที่ควรรับทานที่ลูกคู่ ระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่จะพึงคิดตอบแทนพ่อแม่ด้วยปัจจัยสี่เครื่องอำนวยความสะดวกหรือความสุขทั้งหลายที่ลูกสามารถจะพึงให้แก่แม่แม่นั้นสมควรแก่การรับฐานเช่นนี้อย่างนี้เป็นต้นนี้แหละคือพระคุณของแม่จเจริญพรครั บ, รบต้องกราบขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่กรณาเมตตาได้อธิบายถึงพระคุณของแม่ซึ่งถ้าจะพูดไปแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับเขามีคำโบราณอยู่คำหนึ่งบอกว่าพระคุณของแม่นั้น ถ้าจะเอาแผ่นฟ้ามาเป็นกระดาษจะเอาแม่น้ำในทะเลในมหาสมุทต์มาเป็นน้ำหมึกจะเอาภูเขามาเป็นประกาศจดจารยิาร ย, รยพระคุมข้อแม่นั้นคงจะไม่สามารถจะจดจารยิจารยจยํงพึงนําพันได้นะครับถูกแล้วอจรย์พ่ครับฉะนั้นช่วงนี้คงจะต้องขออนุญาตพักสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงที่สองของอวันนี้นะครับของพบผู้นาในวันนี้ซึ่งได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดหลวงพ่สถธรรมกายยารามครับหลวงพ่อพระหมหาเสริมชัยชัยมังคโลช่วงนี้พักสักครู่ครับ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 นั่นก็เป็นสารธรรมจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามที่สนทนากับคุณอภิชาญปานปรีชาในรายการพบผู้นำซึ่งแพร่ภาพออกอากาศทางเคเบิลทีวีช่อง15ราชบุรีสำหรับสารธรรมในเรื่องนี้มีทั้งหมดสองตอนที่หลวงพ่อได้บรรยายไว้ ส่วนเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปอัตามาจะข อ, อนำตัวอย่างในชาดกซึ่งเป็นเรื่องของบัณฑิตในการก่อนที่เคยประพฤติปฏิบัติต่อมารดาบิดานามาฝากท่านสาธุชนพอให้เป็นแนวทางในการที่จะศึกษาปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณผู้เป็นบุรพาเทพบุรพาจารย์ของบุตรผู้เป็นพระอรหันในบ้าน เพราะว่าในตอนที่สองนั้นหลวงพ่อจะได้อธิบายเรื่องหน้าที่ของกุลบุตรกุลธิดาที่จะพึงปฏิบัติต่อมารดาบิดาสำหรับตอนนี้อาตมาจะขอนำเรื่องของอุบาสกคนหนึ่งในพระพุทธศาสนาของเราซึ่งเรื่องนั้นปรากฏมาในอัตตกนิบาสกัตะกัตจานีชาดกทัศกนิบาทความว่า ในสมัยหนึ่งมีอุบาสกคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีเมื่อบิดาของเขาตายแล้วมีมารดาเป็นดังเพียงเทพ ย, ายดาเขาปฏิบัติมารดาด้วยจิตมีการให้น้ําล้างหน้าให้น้ําบ้วนปากให้น้ําให้ไม้ชําระฟันเป็นต้นและให้ข้าวปลาอาหารหลังจากที่เขาปฏิบัติอยู่อย่างนั้น สักพักหนึ่งมานดาของเขาก็พูดกับเขาว่าจะนำหญิงสาวรุ่นคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาของลูกชายลูกชายนั้นก็ปฏิเสธไม่ต้องการต้องการที่จะปฏิบัติดูแลมานดาบีดานั้นมารดานั้นด้วยตัวด้วยตัวเองจึงห้ามมานดาบ่อยๆต่อมาเมื่อทนรบเร้าของมานดาไม่ไหว ก็เลยปล่อยเลยตามเลยมารดานั้นก็ได้นํากุรธิดาคนหนึ่งเข้ามาสู่เรือนและก็มอบให้เป็นภรรยาของเขาเมื่อหญิงสะภ้ยเข้ามาอยู่กับแม่ของสามีใหม่ๆก็มีการปนิบัติอุปถากแม่ของสามีเป็นอย่างดีแต่เนื่องด้วยว่าหญิงสาวนั้นเมื่ออยู่กับคนแก่ก็เกิดจะเกิดความงุบงิดรําคาญเป็นธรรมดาอยู่มาวันหนึ่ง นางเกิดความเบื่อหน่ายในการในหน้าที่ที่จะต้องดูแลแม่ของสามีนั้นจึงแกล้งแม่ของสามีด้วยการให้น้ำร้อนให้วัตถุอาหารต่างๆที่มีรสเค็มบ้างรสจัดบ้างเป็นต้นพอแม่ของสามีว่ากล่าวตักเตือนก็ทำความไม่พอใจให้เกิดขึ้น แล้วนำเรื่องนั้นไปฟ้องสามีที่กลับมาจากทำงานนอกบ้านสามีนั้นก็ด้วยความรักในมารดาก็ไม่ได้เชื่อฟังคำของภรรยาแต่อย่างใดยังประพฤติปฏิบัติ ด, ดีต่อมารดาอยู่เหมือนเดิมซึ่งภรรยานั้นก็ไม่ยอมลดละวันต่อมาก็ออกอุบายวิธีเพื่อที่จะแกล้ง แม่ของสามีอีกด้วยการทำอาหารมีข้าวเป็นต้นให้หกเรียราดตามพื้นบ้านพื้นห้องแล้วก็พอสามีกลับมาก็แกล้งบอกว่าเนี่ยแม่ของท่านน่ะตอนนี้ทั้งจุกี้ทั้งขี้บนแล้วยังทำบ้านเรือนให้เลอะเทอะสกระปรกอีกเนี่ฉันชักจะทนไม่ไหวแล้วฉันจะไม่อยู่กับเธอแล้วเธอลงเลือกเอา ว่าเธอจะเอาอย่างไหนถ้าเลือกมารดาฉันก็จะไปนะถ้าเลือกฉันนะเธอต้องให้มารดาออกจากบ้านนี้ไปนะส่วนกุลบุตรคนนั้นเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีความเลื่อมใสในพระรัตนาไตรเมื่อฟังคําภรรยาพูดดังนั้นเขาก็เลยพูดขึ้นมาคําหนึ่งว่าแม่ของฉันนั้นถึงแล้วซึ่งความแก่ เป็นผู้มีกำลังอัญชารานำไปแล้วส่วนตัวเธอนั้นยังเป็นสาวรุ่นเมื่อเธอไปจากฉันแล้วเธอยังสามารถประกอบสัมมาอาชีพดังลมชีวิตอยู่ได้ส่วนแม่ของฉันนั้นคงจะลําบากถ้าเกิดว่าออกจากเรือ น, นี้ไปฉะนั้นเมื่อเธอทนไม่ไหวก็จงไปเถิดส่วนฉันจะดูแลมารดาของฉันเองนี่คือความกตันยุของอุบาสกผู้เลี้ยงมารดาแต่ในปัจจุบันนี้ ตามสื่อต่างๆที่หรือว่าเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังกันส่วนใหญ่จะไม่เป็นอย่างนั้นนะส่วนใหญ่จะลูกๆหรือว่ากุลบุตรกุลธิดาเนี่ยจะเห็นความสำคัญของคุณพ่อคุณแม่ได้ยากเต็มทีบางทีไม่นึกเลยว่าที่เรามีกินมีใช้มีทรัพย์สินเงินทองใช้จ่ายอยู่ในปัจจุบันนั้นจริงๆแล้วได้มาจากผู้มีพระคุณคือมาดาบิดา แต่พอตัวเองตั้งสร้างฐานะได้แล้วอุล บ, บุตรบางคนนะก็ทำละเลยหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณเหล่านั้นนะอันนี้ชักอุทาหรณ์มาให้เห็นให้สาธุชนเห็นว่าเรื่องของบนบนดิตในการก่อนนั้นท่านได้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้และได้รับความสรรเสริญจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่วา ไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นที่เธอปฏิบัติต่อมารดาอย่างนี้แม้แต่ในอดีตในการก่อนเธอก็ได้ทำมาอย่างนี้เช่นกันและในปัจจุบันนี้เธอก็ได้บำรุงมารดาของเธอได้รับสนับสนุนจากสำนักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการบารุงมารดาบิดานั้นพระพุทธองค์ยังตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะว่ากุลบุตรกุลธิดาท่านใด ที่ได้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาแล้วย่อมจะมีความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขในชีวิตทั้งใหนหน้าที่การงานทุกอย่างและที่สำคัญเมื่อเรามีบุตรหลานมีบุตรมีธิดากุลบุตรของเรานั้นก็จะเป็นประพฤติปฏิบัติกับเราดีเหมือนดังที่เราประพฤติปฏิบัติต่อ พ่อแม่มาแล้วนั่นเองเป็นกงกำ ร, รมกองเกวียนนะอันนี้เรื่องศัจธรรมความจริงนี้ยืนยันได้นะถ้าผู้ใดตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีกะตัญยูกตะเวทิตาทาแล้วย่อมจะประสบได้ด้วยตัวของตนเองและถ้าท่านใดได้ประพฤติร่วงเกินมารดาบิดาแล้วย่อมจะได้รับทุกโทษความเดือดร้อน อย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งเรื่องราวก็มีปรากฏอยู่ในชาดกต่างๆมากมายส่วนวันนี้รายการธรรมส่สันติก็นำสารธรรมในส่วนของการบํารุงมารดาบิดามาฝากท่านสาธุชนสำหรับช่วงนี้ขอเชิญสาธุชนพักสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ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 กดต่อ220ได้เป็นประจำทุกวันสำหรับรายการธรรมสู่สันติวันนี้ก่อนจากกันอาตมาก็จะขอนำพุทธศาสน ส, สุภาษิต ที่เกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูกะตะเวทีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในธรรมมิกระสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่25หน้าที่365มีใจความว่าธรรมเมนะมาตาปิตโรภรรยะแปลความเป็นภาษาไทยว่าพึงเลี้ยงมารดาและบิดา ด้วยโพกซับที่ได้มาโดยชอบธรรมสำหรับรายการธรรมะสู่สันติในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วโปรดติดตามธรรมะบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยในเรื่องพระคุณของแม่ได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านและขอท่านผู้ฟังทั้งหลาย จงเป็นผู้ปราศจากโรคาพาก ท, ทั้งปวงจเจริญรุ่งเรืองในพระสัตรธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจิจการงานโดยชอบทั้งปวงสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษยสมบัติสวรรสมบัติและพระนิพานสมบัติตลอดกาลละนานเทินจเจริญพร